วันนี้พวกเราได้มาพร้อมกันเพื่อฟังธรรม่ว่าก็ตั้งใจตั้งจิตตั้งใจให้มันเป็นบุญกุศลเข้ามาที่ตัวของเราใจของเราที่ว่ามันเวียนว่ายตายเกิดมาหลายภพหลายชาติแต่พวกเราก็จำไม่ได้ชาตินี้เราได้มาได้มีครูบาอาจารย์แนะนา ให้พวกเราได้ตื่นตัวตื่นใจได้มาประพฤติปฏิบัตินี้ก็ว่าเป็นผู้โชคดีพวกเราที่ว่าในขณะนี้อายุของพวกเราก็มันผ่านไปมากแล้วไม่รู้ว่าอายุของแต่ละคนนี่จะเหลืออีกกี่เดือนกี่ปีเราไม่รู้อันนี้ละเพราะฉะนั้นจึงว่าให้รีบเร่งทำการที่ว่าให้มันความยึดติด ความที่มันรักกลัวรักตัวกลัวตายอยู่ในกายของแต่ละคนเนี่ยเรามันหึงหวงมันหวงชีวิตของเรามันหวงว่าของกูมันยึดถือหวงแหนตัวนี้แหละท่านจึงว่าให้มีคำบริกรรมในขณะที่เรามาภาวนาเราจะไปยึดให้มันหวงแหนให้เอาปัจจุบัน ให้คิดว่าขณานี้เราไม่สร้างสมอะไรอีกแล้วหมดไม่ล่ำรวยไปหรอกท่านให้คิดแบบนี้เหลือแต่จะตายตั้งสติดูทานองนี้เข้ามาถ้าไม่ใครถ้าพวกเราไม่คิดแบบนั้นมันก็ยังห่วงถ้าเราทอดอะไรจากความรักทั้งหมดแล้วเนี่ยเข้าของเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเรา ในปัจจุบันนี้เราคนเดียวถ้าน้อมแบบนี้เนี่ยเราก็จะว่าจิตของเราเนี่ยมันไม่ได้เอาอะไรมันไม่ได้ห่วงอะไรเนี่ยจิตของเรามันมันจึงจะที่ว่าปล่อยวางได้ง่ายจึงจะรวมได้ง่ายอันนี้อยู่กับที่ว่าวาสนาบรารมีแต่ละคนที่พวกเราได้สะสมไว้แต่ชาติปางกรออันนี้แหละให้พวกเราที่ว่ามันบำเพ็ญเอาอย่าคิดว่ามันเป็นของไม่มี เหมือนกับลมเนี่ยแหละเรามองไม่เห็นแต่มันก็มีสิ่งแปลกๆที่ว่าพวกเรามองไม่เห็นมรรคผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าท่านตัดไว้แล้วมีทุกสิ่งทุกอย่างบาปบุญคุณโทษมันเกิดขึ้นที่ใจของเราความโกรธก็เกิดขึ้นจากที่นี่ความเมตตาสงสารก็เกิดขึ้นจากที่เดียวกันอันนี้แหละความหลงก็อยู่ในใจของเรา ตัวรูกก็จะเกิดขึ้นจากใจของเราอันนี้พวกเราพยายามที่ว่าสอนตัวเองอมันเป็นที่ว่า อ, อยู่กับที่ว่าความตั้งอกตั้งใจของพวกเราจริงๆอันนี้แหละให้พวกเราสละความคิดของเราที่ว่าความคิดของเราส่วนมากนี่มันติดกับอยู่ในความอยากนี่แหละให้พยายามที่ว่าสละออกไปเราเกิดมานี่เราที่ว่าคิดว่าของของเราบ้านเราตัวเรา ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเวลาหมดลมหายใจไปแล้วเนี่ยเอาไปไม่ได้สักคนนี่ให้เราคิดแบบนี้ถ้าใจของเราสละแบบนั้นเนี่ยมันจะที่ว่าปล่อยใจของเราเนี่ยมันไม่ยึดติดมันจะไม่ยึดติดอันนี้วิธีการทาถ้าเรายินดีพอใจโยมานั่งภาวนากับเพื่อนนะแต่พวกเราก็ยังห่วงว่าบ้านของเราจะเป็นแบบนั้นบ้านของเรา จะเป็นแบบนี้ครอบครัวของเราต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้ถ้าใครคิดไปห่วงลําพันธ์อยู่แบบนั้นมันไม่เป็นต้องทอดอะไรต้องมีความทอดอะไรอันนี้แหละใจของทุกคนที่ว่าเราสามารถที่จะแก้ไขของตัวเองได้มันมีมืดวันหนึ่งมันต้องสว่างให้ได้แต่ต้องอาศัยคําบริกรรมคําบริกรรมว่าพุทโธนั่นแหละอ่า คําบริกรรมพุโทโธนี่อย่าให้มันที่ว่าให้มันเผยให้มันต่อเนื่องให้คําบริกรรมของเรานั้นต่อเนื่องเอาพุโทโธ เ, เอาคําเดียวหลับตาให้สนิทดีๆไว้ก่อนอครั้งแรกก็ที่ว่าระวังอย่าอย่าให้มันง่วงนอนก่อนพยายามที่ว่านึกคําบริกรรม ใ, ให้ทีๆก่อนเวลามันเจ็บมันปวดขึ้นแล้วเราก็ดูทุก์คือทุกตัวนี้เนี่ย มันจัดการไม่ให้เราหลับไม่ให้ง่วงเวลามันเจ็บมันปวดแล้วเนี่ยตัวความเจ็บความปวดนี่จัดการไม่ให้มันหลับได้ตัวนี้แหละที่ว่าสติของเรามันจะแข็งขึ้นมันจะมีความที่ว่าแต่ก่อนมันง่วงมันเผลอเวลามันปวดมาแล้วเนี่ยตายตายตายตายเลยะมันจะเป็นอัตโนมัติของมันถ้าเราดูของมัน ถ้าเราไม่ฝืนพอเจ็บปวดนิดๆหน่อยๆพอเออหยุดก่อนเถอะวันหลังค่อยทำใหม่เอาอยู่แค่นี้มันก็ไม่รู้ว่าพบกี่ศาสเราจึงจะได้รู้ได้เห็นกับท่านอันนี้เราก็แต่ว่าให้พวกเราตั้งอกตั้งใจทาเองเอ่ไม่ใช่ว่าจะครูบาอาจารย์ทำให้ไม่ใช่แบบนั้นต้องตัวเราเองแต่ละคนนี่แหละจะเป็นผู้ที่ว่ า, าดูแลที่ว่ามีสติ จดจอที่ว่าอารมณ์ของเราอยู่กับอะไรในปัจจุบันนี้ให้มันเป็นปัจจุบันนะให้ให้ดูให้มันเป็นปัจจุบันในขณะนี้พุโทโธของเรามีหรื อ, อยังมันทีเข้าหรื อ, อยังให้ให้มีปัจจุบันแบบนี้อ่านะวิธีวิธีธรรมต้องปล่อยให้สละบ้านเรือนญาติพี่น้องเข้าของทุกสิ่งทุกอย่างในขณะนี้เราคนเดียวจะตายคนเดียวด้วย นันะให้เป็นปัจจุบันเนี่ยถ้าถ้าคนเราทําแบบนี้เนี่ยมันจะทอดอะไรนะไม่ไม่ที่ว่าไม่ยึดติดถ้าเราหวงหวงอะไรอยู่นี่มันพะวงหน้าพะวงหลังอยู่นี่ท่านยังว่ามันมีความยึดความหวงความอะไรมันก็เลยว่าเป็นสิ่งจีดกั้นมีที่ว่าเป็นสิ่งที่กั้นกลางไม่ให้เราได้รู้ได้เห็นก็เพราะ ใจของเราเนี่ยมันไปห่วงทรัพย์สมบัติเนี่ยถ้าเราทอดอะไรออกไปแล้วไม่ได้มีเข้าของเงินทองแม่แต่ตัวของเราผมเส่นหนึ่งก็ไปไม่ได้ไฟไหม้แล้วอยู่ในที่กองฟอนนั่นหละมีเหลือแต่ขี้เท่าไม่เหลือเป็นเส้นขนเลยเนื้อหนังก็หมดเป็นขี้เท่าไปหมดเหลือแต่กระดูกกระดูกนั่นอีกต่อไปก็จะผูกพัพงลงเป็นดินให้น้อมตัวเองแบบนี้ อันนี้ะวิธีทำที่ว่าที่ว่าจะง่ายใครจะว่าง่ายก็ว่านะมันก็ง่ายๆนั่นแหละก็นั่งอยู่ในล้มนั่นแหละนั่งอยู่ในบ้านของเราอยู่ในล้มแบบนี้แหละเรานั่งสบายสบายนั่นแหละหายลมีว่าคนจะดูเอาลมหายใจเข้าออกก็ได้จะเอาพุทโธก็ได้แล้วแต่ถนัดแต่หลวงพ่อเนี่ยครั้งแรกหลวงพ่อเอาพุทโธนะในช่วงที่ว่ า, เ, าเริ่มที่ว่ามันจะเริ่ม าหาวิธีของตัวเองเพราะหลวงพ่อมันเป็นคนง่วงชอบง่วงนั่งสัพนโงกเก่งที่สุดแต่ก่อนนะนั่งสัปนโงกเก่งนั่งในสัพนโงกมันง่วงนอนสติมันอ่อนมันก็แบบที่ว่าใจของเราเรานึกว่ามันมีพุโทโธแล้วเรานึกว่าเราตั้งสติดีแล้วแต่ที่ไหนได้เราก็คือเนี่ยมันเป็นแบบนั้นหลวงพ่อก็จังทีว่ามาเอาพุโทโธให้มันทีทีมันมันเอาพุโทโธ เวลามาเอาพุโทโธทีทีนี่มันก็นึกยากอีกคำว่าพุโทโธพุโทโธเฉยเฉยเนี่ยละธรรมดานี่ลมหายใจปกตินี่มันไม่ยากนึกพุโทโธมันก็ไม่ใช่ของยากแต่เราฝึกเอาริงๆิงนี่เวลาเรามานั่งเนี่ยเรามานึกพุโทโธพุโทโธเนี่ยพุโทโธพุโทโธพุทโธตามลมหายใจเข้าออกนี่มันยากปะนี่นึกก็เหนื่อยเหนื่อยก็ฝืนเนี่ยมันต้องทาแบบนั้น เนี่ยมันเป็นอันจีบว่าเป็นกีดเป็นสิ่งที่กีดกั้นให้พวกเราทุกอย่างพุทโธเนี่ยมันมันฟืดเครืองนึกยากเหนื่อยก็อดที่ว่าอดทนนึกพยายามนึกอยู่นั่นแหละให้มันมีพุทโธต่อเนื่องเอาไปเอามาเนี่ยพุทโธกับใจเป็นอันเดียวกันมาเนี่ยพุทโธเป็นใจอันเดียงอันหนึ่งอันเดียวกับใจแล้วแล้วเนี่ยดีใจได้ไหม มันจะดีอกดีใจขึ้นมาโอ้แต่ก่อนเนี่ยเราพยายามนึกพุทโธอยู่นี่มันไม่ค่อยอยู่จะอยู่กับตัวกับกับตัวของเราบัดนี้พุทโธกับใจของเราเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับใจของเราแล้วบัดนี้ดีใจบัดนี้พอมันดีใจอีกไม่เหลือไม่กี่วันล่ะหายอีกเอ้าพุทโธของเราอยู่ๆมันหายไปนึกก็ไม่ได้นคําว่านึกง่ายๆนั่นแหะมันนึกไม่ได้อ่าอยากให้นึกพุทโธอีกนี่ไม่มี พูดโทอย่างไรก็ไม่มีไม่เกิดอ้าวมันก็เหลือลมหายใจอยู่ก็อเอาลมหายใจมันดูลมหายใจตามปกติลมหายใจของเรามันก็ไม่ฟืดอีกละ่ะแต่ถ้าเราตั้งสติดูแล้วเนี่ยฟืดขึ้นมาอีกวันลมหายใจก็หายใจยากอีกเหมือนกันฟืดก็พยายามเอาอยู่นั่นแหละอ่ามันจะเข้ายากออกอยากก็ดูมันอยู่นั่นเอาจนว่า ลมหายใจละเอียดเข้าละเอียดเข้าในที่สุดนี่เท่ากับเส้นได้เท่ากับเส้นได้เส้นไหมมองที่ว่าสติของเราเนี่ยมันเอาใจดูนะไม่ได้เอาตาดูนะใจของเราเนะ่มันเห็นลมเข้าลมออกพุโทโธพุโทโธที่ว่าพุโทโธมันหายแล้วแต่ตั้งสติดูลมที่ว่าหายหายใจเข้าเนี่ยไหลลิบเข้าไปเท่ากับเส้นได้เส้นไฟ ลิดออกมาลีดเข้าไปลีบออกมาไม่นานขาดขาดเลยวันพอลมหายใจขาดเท่านั้นแหละอ้าวตัวเนี่ยมันพุทธขึ้นมาไม่ใช่เราตายแล้วหรือนะมันจะขึ้นมาแบบนี้ไอ้ตัวนี้มันเป็นมาร น, นะมันเป็นตัวหลอกลวงให้เราเผลอแต่หลวงพ่อไม่เผลอในขณะนั้นอ่ากา็ตายก็ตายเลยนะมันขึ้นมาแบบนี้เราอยากจะดูความตายอยู่แล้ว เมื่ออะไรมันจะตายให้ดูเราพยายามจะดูความตายอยู่แล้วนั่นเราถือสัจจะสัจจะที่ว่านั่งที่นี่เราไม่ยอมลุกเราไม่ยอมเปลี่ยนอริยบทอันนี้คือสัจจะสัจจะขันติเนี่ยมันต้องมีสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประกอบมันจริงที่ว่าพออดทนได้ผ่านทุกขเวทนาไปได้ถ้าไม่มีสัจจะนี่เราผ่านเวทนาไม่ได้ เราต้องมีสัจจะกับขันติลาสติบานเนี่ยสติให้จดจ่อที่กายอย่า ก, กลัวตายมันจะแสดงอาการอะไรขึ้นมาก็ชั่งมันให้มันตายไปเลยอ่ามันแม้จะเกิดอะไรน่ากลัวก็ชั่งมันนะอย่ามันจะหลอกลวงโอยเดี๋ยวเป็นโรคกระเพาะนะอ่าอย่าไปเผือให้มันเดี๋ยวมันจะบอกว่าเรายังหนุ่มโยศึกไปก่อนอ่ ซึกไปกรเจก่กรจึงกลับมาบวชก็ได้ทำนอง น, นี้ตายเลยเราไม่ยอมนี่มันจะขึ้นแบบนี้ของหลวงพ่อมันพยายามที่ว่าฟื้นไปเรื่อยๆอคือบอกมันบอกตัวเองว่าเวลาขึ้นนั่งภาวนาแล้ว น, นั่งข้างนี้เป็นข้างสุดท้ายของเราคำว่าลูกไม่มีถ้าไม่รู้ไม่เห็นสัจธรรมคาสั่งสอนขององค์พระศาสดาสัมมาสามพุทธเจ้าเราถ้าไม่รู้ไม่เห็นที่นี่คือที่ตายของเรานั่น ตัวนี้ลหละมันยื่นคำขาดบอกว่าที่นี่คือที่ตายมันไม่ยอมลุกอ่ามันก็จะว่าจะเป็นอย่างไรก็ช่างอันนี้ลหละมันจะมาหลอกลวงปิ้นป้อนที่ว่าเดี๋ยวจะเป็นโลกอา ม, า พ, ออามาพาตสารพัดที่มันเกิดขึ้นมามันไม่ยอมมันไม่ยอมกับเรื่อมตัวมันบอกว่าเราคือศพเราคือศพยกแขนไม่ได้ยกขาออกไม่ได้เราต้องอยู่นิ่งๆแม้แต่คืนน้าลายก็ไม่กืน มันบอกตัวเองเลยนะหลวงพ่อมันมันหาวิธีมันบอกตัวเองมันบอกว่าถ้าอย่าวเรายังกืนน้ําลายลงไปให้มันมันก็เป็นเหงื่อไหลออกอยู่แบบนี้แหละกีวรมันเปียกหมดนั่นมันทุกทุกแบบที่ว่าทนทุกข์ไม่มีพัดลมแบบนี้ช่วงนั่งภาวนาสละตายนั่นน่ะมันต้องที่ว่าสู้กับทุกขเวทนาจริงจังจังมันเกิดอะไรขึ้นมาก็ช่างมันเจ็บมันปวด ขนาดนั้นก็ช่างกําหนดว่าดูกระดูกมันจะแตกอ้าวแตกก็แตกไปที่เราหักขากบขาเขียนแน่ะไม่รู้ว่ากี่ตัวไม่รู้ว่ากี่ขาอันนี้ขาของเรานี่ขาคู่เดียวเนี่ยถ้ามันหักมันก็อยู่ที่นี่ละเราก็จะดูมันเดี๋ยวมันก็ตายมันหักมันเจ็บมันปวดเดี๋ยวมันก็จะตายให้ดูเราต้องการอยากจะดูว่าไอ้วิญญาณมันจะออกช่วงไหนเนี่ยของหลวงพ่อมันเด็ดขึ้นแบบนั้น คือมันกล้ามันกล้าตายใจใจในขณะนั้นมันกล้าตายเนี่ยมันได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังจากหลวงปู่บุญจันทร์หลวงตามหาบัวปู่ขาวปู่อ่อนแล้วเนี่ยมันมีกําลังใจสละตายนะมันเป็นแบบนั้นอันนี้แหละถ้าพวกเรายังไม่มีเราเร า, เราไม่เห็นไม่รู้แบบนั้นก็ให้เราอดทนแล้วก็จะว่าต้องบอกตัวเองว่าอย่าไปยึด อย่าไปห่วงสิ่งทั้งปวงให้ตั้งสติดูลมหายใจเข้าออกของตัวเองเพราะชีวิตของสัตว์และมนุษย์เนี่ยมันอยู่กับลมลมไม่เข้าก็ตายลมไม่ออกก็ตายอยู่แค่นีอ้อาหารการกินส่วนอื่นเนี่ยเขาก็หล่อเลี้ยงร่างกายของเราแต่ลมเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดอยู่กับลมเราต้องดูลมหายใจของของตัวเองอันนี้ในที่สุดลมหายใจหมดเนี่ย มันก็ที่ว่ามันก็กลัวตายอันนี้หลวงพ่อบอกว่าตายเลยนยมันมันมันแข็งแบบนี้อันนี้คือคือมันบอกตัวเองบอกว่ายอมตายสละตายมันบอกว่าที่นี่คือที่ตายของเราเราไม่ยอมกับเพื่อมตัวไม่ยอมยกมือมาเซตเหงื่อเซตอะไรเนี่ยช่างมันมันจะเป็นอะไรก็ช่างดูอยู่ที่นี่แหละนั่งดูอยู่เฉยเนี่ยดูความทุกข์นั่นแหละความเจ็บปวด มันก็เทียบเราค่าปลาค่าไก่ค่าเป็ดมาขนาดไม่รู้ว่ากี่ตัวให้ดูเอาอเราจะไปใช้หนี้เขาถ้าเราไม่พ้นทุกเนี่ยเราจะไปเกิดเป็นสัตว์ให้เขาค่าเนี่ยตัวละห้าร้อยชาติเขาจะเอากลับคืนเนี่ยกี่พันกี่หมื่นชาติให้เทียบแบบนี้อันนี้แหละหลวงพ่อสอนตัวเองแบบนั้นในขณะนั้นนะมันเป็นเองนะมันบอกตัวเอง อ่าอันความรู้มันเกิดขึ้นมาเองบอกตัวเองอ่าแต่มันก็ประเมินที่ว่าความเจ็บความปวดเนี่ยมันเหลืออดเหลือทนแต่หลวงพ่อก็เอาเนี่แหละเอาผลกรรมที่หลวงพ่อเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยมามาเข้าไปหามันบอกว่าเราฆ่าอึงฆ่ากบฆ่าเกียรติเนี่ยไม่รู้ว่าเท่าไหร่หลายหมื่นหลายแสนตัวฆ่าปลาหลายแสนตัวนัเราเนี่ยมันก็ ทนสู้กันไปเรื่อยๆความเจ็บปวดทุกขเวทนามันรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆในที่สุดเนี่ยอ่ามันจะเกิดอะไรก็ช่างมันเดี๋ยวเป็นอัมพาพึกนะเดี๋ยวเป็นอัมพาพึกเนี่ยไม่มีคนมาช่วยเหลือจะลำบากตายเลยเราต้องการดูความตายมันจะเป็นอะไรก็เป็นเถอะนั่นมันผ่านไปเท่านัน้นนี่ในที่สุดเนี่ยอ่าพุดขึ้นมาอ่เอ้า เจ็บปวดแค่นี้ก็กลัวตายหรือศพที่เขาขึ้นกองฟอนแล้วเนี่ยไม่เห็นศพไหนมันวิ่งหนีเวลาไฟลุกขึ้นอ้าวจริงนะที่เรานั่งอยู่เดียวนี่ยังไม่มีเปลวไฟนั่นมันเอาตัวนั่นมันเอาเปลวไฟมาสู่มาใส่ในที่สุดมันเอาเอาไฟนรกนั่นเรานั่งอยู่เดียวนี่ความเจ็บความปวดไม่ได้เสี่ยวนรกไฟนรกร้อนแรงกว่านี้ปวดกว่านี้ทนทุกข์อยู่ในเอเวกีนรกเราไปตกนรก มันบอกตัวเองในขณะนั้นมันบอกว่ามันพุทธขึ้นมาใจมันพุทขึ้นมาเราไปตกอเวกีนารกเนี่ยหลายกลับหลายกันหลวงพ่อก็รู้ความรู้สึกของหลวงพอมันว่าที่ไปลอยกอระแสอยู่ในอเวกีนากเนี่ยหลายล้านปีสำหรับหลวงพ่อนะมันบอกตัวเองแบบนี้ที่เรามาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกนี้ทากรรมชัว่วแล้วเนี่ยไปตกอเวกีนากเนี่ยหลายล้านปี มันบอกตัวเองแบบนี้อันนี้แหละความทุกข์ความทุกข์กเนี่ยมันอุปมามันเห็นทุกข์ในที่สุดของทุกข์มันจึงจากที่ว่าเบื่อหน่ายเกิดความเบื่อหน่ายถ้าเรายังไม่เห็นทุกข์แจ้งในทุกข์เนี่ยเรายังไม่มีความเบื่อหน่ายได้เหมือนกับคนที่กลัวกลัวจนสุดขีดนั่นแหละกลัวจนสิดขีดมันจึงจะหายกลัวแต่ก่อนนี่เราก็นึกว่า สิ่งเรานี่มันเป็นสิ่งน่ากลัวอ่าถ้าเราได้เจอจริงๆเนี่ยหลวงพ่อเป็นเด็กอ่าช่วงเป็นเด็กนี่ยไข้เป็นไข้ไข้ป่าไข้ามาลาเรียสันเป็นไข้ไข้จับสันนะเอาผ้าหม่มห่มแล้วเอาเสือมาทับอีกอเวลาไข้ขึ้นเนี่ยกระตุกตึกๆึ๊กตึกต๊กตึกต๊ ก, ก, กนองนี่อ่ามันก็เก็บก็ป่วยทํานองนี่แหละอ่าก็ที่ว่ามันเห็น เวลามันทุกข์แบบนั้นมันก็เห็นเวลาเจ็บป่วยไข้เข้ามาเนี่ยเราก็เทียบใส่เวลาเราเจ็บเราป่วยก็เป็นแบบนั้นอ่ามันทุกข์ที่สุดมันจึงเลยทุกข์อ่ามันจึงเลยทุกข์ได้อันนี้แหละให้เราที่ว่าให้มันเลยทุกข์ทุกข์ที่เรารู้สึกว่าขาเราเจ็บขาเราปวดเนี่ยพยายามปฏิเสธตัวเองให้สอนตัวเองบอกว่าเวลาคนตายไปแล้วนี่ มันไม่มีความยึดเหล่านี้มันไม่มีร่างกายตัวตนเดี๋ยวเราก็จะตายนี่ให้ปฏิเสธตัวเองว่าขาของเราจะเปื่อยเน่าลงเป็นขี้เท่าในที่สุดต้องเปื่อยเน่าลงเป็นดินเนี่ยให้ดูดูกายของเราเนี่เป็นศพให้พยายามที่ว่าดูกายของเราเพ่งกายของเราให้เป็นศพให้เป็นดินนี่แหละยู่เนี่แหละแต่มันก็มีความคิดขึ้นแบบนี้ มันบอกว่าเราต้องปฏิเสธตัวเองเราพยายามปฏิเสธตัวเองไม่ให้มันมีตัวตนหลวงพ่อก็หาวิธีที่ว่าให้จิตเนี่ยมันแยกออกจากกายได้เนี่ยมันก็เกิดความรู้ตัวนี้แหละขึ้นมาว่าเราต้องปฏิเสธตัวเองไม่ให้มันมีตัวตนแล้วก็กําหนดว่าตัวเองตายตายแล้วขึ้นอืดขึ้นอืดเปื่อยเน่าผุพังลงไปในที่สุดเปื่อยเน่าลงเป็นดินเนี่ย ผมมันก็เปื่อยเน่าลงเป็นดินกระดูกก็เปื่อยลงเป็นดินตายใหม่อีกเกิดตายเกิดตายอยู่นั่นแหละสมมติว่ามันมันลงเป็นดินแล้วเห็นชัดแล้วครั้งแรกนี่นานพอสมควรครั้งที่สองนี่ก็ไม่นานเท่าเดิมมันค่อยอยู่นั่นแหละเอาจนมันชํานาญเนี่ยวิธีวิธีดูแบบเนี้อันนี้แหละวิธีปฏิเสธตัวเองไม่ให้มันมีตัวตน มันก็มีตัวตนอยู่นั่นแหละพยายามปฏิเสธไม่่มีตัวตนเพราะว่าความที่เรายึดติดว่าตัวเราขาเราแขนเราสะโพก เ, เราเราเจ็บเราปวดเรามีแขนมีขาเนี่ยแต่หลวงพ่อนี่ซ้าและเลยกำหนดแบบที่ว่าเอาแบบที่ว่าแยกมาแยกสินส่วนก็เอ า, อาวิธีแยกสินส่วนเอาสมมติว่ายกขาไปไว้ที่นั่นเอาตับไตไส้บอดไปไว้ที่นี่เป็นคนละกองคนละกอง แยกสิ้นส่วนไปเลย น, นั่นมันเอาแยกได้แต่ถ้าจิตของเรามันยังไม่เป็นสมาธิมันแยกไม่ได้นะไอตัวนี้นะมันต้องอาศัยสมาธิก่อนจิตเป็นสมาธิก่อนมันจึงจัจะแยกได้ที่ว่าจะมาพิจารณาดูหนังเน่าเนี่ยฝึกดูครั้งแรกเราจะมาฝึกดูนี่ยมันก็เป็นที่ว่าสมมุติดูเราก็ฝึกดูแค่นั้นแต่จิตของเราถ้ามันเป็นสมาธิแล้วเนี่ยมันแยกได้จริงๆมันก็เห็น เห็นโดยสมมุติก่อนอืนนะเห็นโดยสมมุติแต่มันแจ้งกว่าเดิมครั้งแรกๆนี่เราก็ฝึกหัดดูอยู่นั่นแหละให้พยายามที่ว่าฝึกหัดดูบุญญาบรารมีของพวกเราไม่รู้ว่าชาติไหนพบไหนที่พวกเราที่เวียนว่ายตาเกิดมาเราเคยบวชกับพระพุทธเจ้าเคยบำเพ็ญสมถกรรมฐานมาแล้วไม่รู้ว่ากี่แสนปีมาแล้วบางพบบางชาติเนี่ยบวชในพระพุทธศาสนา ของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเนี่ยสามหมพรรษาสี่0 0ื่พันษาก็ยังมีอ่าพวกเราก็ล้มแล้วว่าเราไม่เคยบวชเราเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่เคยบวชแล้วถ้าเราคิดอยู่แบบนี้เนี่ยเราก็ไม่มีกําลังใจให้เราให้จะ ว, ว่าให้เอาที่ว่าเอาอดีตชาติของเรามาช่วยด้วยผลบุญที่เร า, าเคยทําในอดีตชาติแล้วถ้ามรรคผลนิพพาน ของพระพุทธเจ้าศาสนาของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ยังมียังเหลืออยู่นี่ขอให้เราได้รู้ได้เห็นสัจธรรมเนี่ยถ้าไม่รู้ไม่เห็นให้มันตายไปเลยเนี่ยให้ให้กำลังใจตัวแบบนี้อย่าไปคิดที่ว่าเอาตามความอยากความอยากของเราเนี่ยมันปิ้นป้อนเออหยุดก่อนเธอยังไม่แกอ่าสินหน้าก่อนเธออ่าปีหน้าก่อนเธออ นอนก่อนเธอะตื่นขึ้นจึงค่อยทําไมอันนี้อันนี้คือมายาของกิเลสมันหลอกลวงอ่าเป็นลูกหลานของพยามาณอ่ามันเป็นลูกหลานของพยามาณมันที่ว่ามาจ้องมาดูของเรามันจะหาเล่เหลี่ยมหลอกลวงให้เราหยุดเออนอนก่อนเธอเนี่มันได้ค่ามันเหมือนกับเราโนถูกนอกอ่าแล้วนอกอีกเราถูกมันน็อกถูกกิเลสตัณหาก็ถูกใจของเรานะะั่นแหะ มันเชื่อใจของเราหลวงพ่อวิธีภาวนาหลวงพ่อว่าอย่าไปเชื่อใจของตัวเองถ้าเราเชื่อใจของตัวเองนี่ไม่ได้รู้เราต้องเป็นผู้ฝืนใจของตัวเองน่ยใจของเรานี่มันชอบมักง่ายแต่ธรรมของพระเจ้านี่ท่านให้มีความอดทนตั้งสติดูที่ว่าใจของเราอารมณ์ของเรามันอยู่แบบไหนเดี๋ยวนี่มันดูกายไหม มันเพ่งเข้ามาที่กายไหมหรือมันอยากล่ำอยากรวยปรุงแต่งไปเอาสวรรค์นิพพานอยู่ที่อื่นโน้นไม่ไม่ได้ไปส่งออกข้างนอกนะให้มันอยู่ที่กายของเราเพ่งเข้าที่กายของเราให้ที่ว่าดูกายนี่แหล ะ, ะทุกในกายของเราเนี่ทุกที่สุดนั่นแหละมันจึงจะเกิดความเบื่อหน่ายมันตัดอะไรออกจากที่ว่าเรื่องความยึดติดความอะไรในกายของตัวเองเนี่ย ถ้าเราไม่เห็นทุกขอย่างแจ่มแจ้งเราก็ปล่อยทุกข์ไม่ได้อันนี้ให้พวกเราทุกคนทุกคนเราเคยทำํำมาแล้วแต่ชาติปางก่อนเคยเป็นภิกษุภิกษุณีกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมาแล้วเราก็จําชาติจําที่ว่าที่เรามาเกิดในอดีตชาติของเราเราจําไม่ได้อ่าอันนี้ล่ะหลวงพ่อไม่สงสัยเพราะหลวงพ่อเคยเห็นมาแล้วที่เรามาเวียนว่ายตายเกิดแต่ละคนละคนนี่ หลายล้านเที่ยวแต่ละคนที่เรามาเกิดมาตายโลกอันเนี้โลกใบนี้มันอยู่ที่นี่ไม่รู้ว่ากี่ล้านล้านล้านลาน้ลานปีผานมาแล้วเนี่ยที่เรามาเกิดมาตายอยู่ในโลกนี้เนี่ยมันเป็นหลายล้านล้านปีมาแล้วหลายล้านชาติมาแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวเวียนว่ายตาเกิดของพวกเราไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นจึงว่าให้เพ่งเข้ามาดูกายของเราตั้งสติเข้าให้มันจดจ่อที่ว่า อารมณ์ของเราถ้ามันยังยึดติดมันยังยึดห่วงมันยังมีความอะไรเนี่ยถ้าเรายังยึดว่าของของเราตัวเราขาเราแขนเราเรายังมีลูกมีหลานยังมีบริวารผู้รับใช้ของเราเนี่ยเราก็จะเป็นผู้หึงหวงเป็นตัวเป็นตัวเป็นตน้นมันอยากโกรธอยากดา่ามันอยากว่าให้ใครมันก็ดา่าถ้าไม่ได้โกรธเนี่ยมันบอกว่าไม่ใช่เรา เราต้องเป็นผู้โกรธเราต้องเป็นผู้หลงเราต้องเป็นผู้มีความคิดความนึกนี่อันนี้มันตัวของเราอันนี้แหละอัตตาตัวตนมันมีแบบนี้วิธีที่ว่าวิธีของหลวงพ่อเนี่ยมันใช้ที่ว่าดูเวทนาเอาเวทนาเอาทุกที่มันเกิดรุนแรงขึ้นเนี่ยละ่ะตั้งสติดูทุกนี่แล้วก็พยายามที่ว่าปฏิเสธกายของเราไม่ให้มันมี ในที่สุดจิตของเรามันจะแยกออกจากกายได้มันจะเป็นตัวลูกว่าเนี่ถ้าเราพยายามฝืนแบบนี้อันนี้ละ่ะก่อนที่มันจะผ่านเนี่ยมันยากแต่ละคนหลวงพ่อจึงบอกว่าสละตายเพื่อทำเนี่ยคำคำพูดคํานี้แต่มันจึงบอกว่าสละตายเพื่อทำหรือฝึกตายก่อนตายจริงนี่มันเป็นแบบนี้อันนี้ละ่ะมันทุกข์ที่สุดมันไม่มีอะไรที่จะประเมินเท่าไฟนรก มันเอาไฟนระกเอาที่ว่าค่าสัตว์ตัดชีวิตเข้ามาเทียบเลยนั่นะทุกในโลกนี้มันบอกว่าจะอะไรก็ช่างในขณะนี้เรามีวันเดียวเท่านี้เราไม่มีวันพรุ่งนี้เราจะตายขณะนี้ปัจจุบันนี้นี่เข้ามาทำนองนี่อันนี้ลหละให้พวกเราที่ว่าพยายามฝึกหัดไปทำนองนี้อย่าคิดว่าค่อยเป็นค่อยไปถ้าพวกเราว่าค่อยเป็นค่อยไปเนี่ย คงจะยากลําบากพอสมควรน ะ, ะถ้าพวกเราว่าค่อยเป็นค่อยไปไม่ฝืนเนี่ยถ้าเราที่ว่าวันไหนก็ออนอนก่อนเธอตื่นขึ้นมาอีกก่อนจึงทํามันก็ให้ความหวังตัวเองไปก่อนเธอก่อนเธออยู่นั่นแหละไม่รู้ว่ากี่วันที่เราเวียนไหวาตายเกิดมาเนี่ไม่รู้ว่ากี่แสนกี่ล้านปีกี่ล้านชาติผ่านมาแล้วอันนี้พระพุทธเจ้าองค์ที่ว่าสามล้านกว่าองค์ผ่านมาแล้วให้พวกเราคิดเอา อันนี้แหละจิตวิญญาณของพวกเราเล่ร่อนเวียนไหวตายเกิดเนี่ยมาจากที่ว่าในอดีตชาติของเราที่ผ่านมาแล้วเนี่ยมันคนละหลายล้านเที่ยวมาแล้วอันนี้ล่ะเล่ร่อนเวียนไหวตายเกิดบัดนี้ยังมีครูบาอาจารย์หลวงปูมั่นสอนหลวงตามหาบัวหลวงตามหาบัวมาเทศสอนพวกเราให้พวกเราฟังแล้วก็จําเอาคําที่องค์หลวงตาท่านเทศสอนเนี่ยมาดูกายดูใจของพวกเรา อย่าไปฟังแล้วก็เปิดนอนเสียงท่านไปเรื่อยๆ เ, เปิดนอนฟังไปเรื่อยๆเยนี่ยมันไม่ได้ผลแต่ถ้าเรานั่งฟังทุกคเวทนาเกิดขึ้นก็ให้อดทนอันนี้วิธีธรำมันต้องเป็นแบบนั้นเราต้องที่ว่าเราอย่าไปเอาความมักง่ายความมักง่ายเนี่ยมันเป็นตามใจของเราอันนี้เราต้องฝืนใจของเราใจของเรามันชอบนอนเกิดมาพ่อแม่ก็ให้นอน ถ้าไม่นอนก็ตกก็ดาคูเข็ยนให้ลูกนอนเนี่ยพวกเราก็ติดนิสัยนอนต้องกินแล้วก็นอ น, นมันติดนิสัยกินนอนมาแล้วอันนี้อย่าไปเชื่อมันบัดนี้วิธีการบาเพ็ญภาวนานี่อย่าเชื่อใจตัวเองเราต้องเป็นผู้ฝืนใจตัวเองความาวามักง่ายเนี่ยความมักง่ายเนี่ยเราอย่าไปเดินตามมันเราต้องปีกเราต้องหลบลีกออกจากมัน มาดูที่ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นทํามันเกิดขึ้นที่มันทุกข์นี่แหละความเจ็บปวดเนี่ยมันจะเทียบเทียบเขาว่าเราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาแล้วนะเราเวลาเราไปตกอเวกีนรกความร้อนอยู่ในนรกเนี่ยร้อนกว่านี้อีกแค่นี้เรายังไม่ได้เสี่ยวนรกเนี่ยท่าใจของเราแบบนี้เกิดขึ้นมาแบบนี้มันก็ดีดีใจใมัน ม, มันเทียบเลยว่าไฟนรกนี่มันร้อนแรงอ่าสมัยก่อนข้างพุทธกาลเนี่ยมีพระเถระอ่มีพระเถร ะ, อ, ะ, ะ, ะ อ, องค์นึ่งไปบำเพ็ญอยู่ในป่าแล้วก็มีนายผานไปหายิงนกยิงอะไรต่างๆนั่นแหละหานกยิงสัตว์ฆ่าสั ต, ตสว์ตัดชีวิตในที่สุดก็หิวน้ำเขามีความหายน้าต้องการกินน้ำก็เลยมาเดินมาถึงพระเถระมาดูแล้วก็โอ้ พระสมณะองค์นี้เนี่ยไม่มี อ, อไม่ตักน้ําใส่ตุ่มไว้เลยนะพระเถระก็ น, นึกว่าเออเราตักน้ําใส่ตุ่มเต็มอยู่ทําไมไอ้นายพานคนนี้จึงว่าแบบนี้พระเถระก็ออกมาดูเออน้ําก็ยังเต็มตุ่มอยู่ท่านจะว่าน้ําไม่มียังไงนายพานจึงมองเห็นน้ําเนี่ยกรรมของเขากรรมของนายพานเนี่ย มันเป็นแบบนั้นคนที่กรรมมากมากนี่มันก็ปิดอยู่แค่นี้แหละมันก็ปิดเป็นลักษณะแบบที่ว่าหน้ามือกับหลังมือมันอยู่แค่นั้นในที่สุดก็ทว่าไอ้นายพานก็บอกว่า เ, ออเมื่อกระผมเข้ามาที่นี่ผมต้องการกินน้าแต่ผมมองไม่เห็นน้ำเป็นเพราะบาปกรรมที่ผมเนี่ยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเยอะแยะผมจะทาอย่างไรถึงจะพ้นจากบาปจากกรรมเหล่านี้ ขนาดที่ผมยังไม่ตายผมก็เห็นแล้วที่ว่าขนาดน้ําเต็มตุ่มอยู่ผมก็มองไม่เห็นผมจะแก้ไขตัวเองอย่างไรผมขอบวชกับท่านได้ไหมเนี่ยในที่สุดพระเถระก็ตกลงให้บวชบวชให้พอบวชแล้วก็มองเห็นแต่สัตว์ที่ตัวเองค่ามันมองเห็นแบบนั่นแหล ะ, อะมองเห็นแต่สัตว์ที่ตัวเองค่าในที่สุดก็เอาปัจจุบัน ต้องมาดูปัจจุบันมาดูลมหายใจเข้าออกมาดูแบบนี้แหละถ้าใครตั้งสติดูลมหายใจเข้าออกของตัวเองเนี่ยมันอยู่ที่นี่อยู่กับลมหายใจเข้าออกนี่แหล ะ, ะพุทโธก่อนอื่นแล้วก็มาดูลมหายใจเข้าออกทีหลังอันนี้ถูกต้องถ้าเราถ้าเราฝึกแบบนี้แต่ถ้าเรากิตสงบไปเลยเนี่ยพอนั่งแป๊บเข้าไปเนี่ยกิตมันสงบแต่มันเคลิมอยู่นั่นแหละอันนี้สติอ่อนนี่ อันนี้ไปไม่ได้ไปยากแต่เราฝึกท้าพุดโธต่อเนื่องแบบหลวงพ่อห ล, ลงพ่อว่านี่อันนี้นี่มันมันได้ผลมันต้องสู้กับทุกขเวทนาต้องเป็นผู้ฝืนมันไม่อยากนึกก็นึกฝืนเอาไม่มีพุดโทก็นึกให้มันมีเอาจนมันเกิดมันเป็นมาดูลมหายใจอีกลมละเอียดเข้าจนเห็นลมของตัวเองหมดหมดก็ช่างมันเรา จะดูอยู่นี่เนี่ยแหละวิญญาณมันจะออกช่วงไหนเนี่ยมาดูแบบนี้อันนี้ใจของเรากายของเรานี่มันเล่ร่อนเวียนไหวตายเกิดกายของเราเนี่ยบางทีก็มีเขามีหางน ะ, ะกายของเราแต่ใจอันเดียวที่เราเล่ร่อนเวียนไหวตายเกิดคนละหลายล้านเที่ยวอันนี้แหละเกิดเป็นสัตว์น้าสัตว์บกเวียนไหวตายเกิดเป็นทุกข์อยู่แบบนี้ให้พวกเราคิดเอาว่า หลวงตามหาบัวมาเทศสอนพวกเราท่านเมตตาเนี่สมัยนี้ได้ยินได้ฟังกันทุกคนถ้าเรากดไปฟังเรามีเครื่องมีวิทยุขืนใส่หมุนใส่ขึ้นหลวงตาแล้วเปิดฟังได้ทุกที่อันนี้แหละที่ว่าความเมตตาของท่านก็ให้พวกเรานั่งฟังอย่าไปนอนฟังให้นั่งฟังต้องดูทุกดูทุกดูที่ว่าความที่ว่ามัน มีความหลงมีความที่ว่ามันจะหลอกลวงของเรามันจะเกิดขึ้นที่ใจของเราให้พยายามที่ว่าสอดรู้สอดเห็นกับมันมันจะเกิดขึ้นอะไรก็ช่างอย่าไปเชื่อมันมันบอกนอนก็อย่าไปเชื่อมันเออกูนอนมาแล้วจนหลังเปมาแล้วเนี่ยนอนมาแล้วนี่คนละห้าสิบหกสิบเจสิบปีมาแล้วที่เราเกิดมาเนี่ยเรานอนทุกวันบัดนี้เราจะฟื้นเราไม่นอนถ้าเราไม่รู้เราไม่รู้ไม่เห็นเนี่ย เราจะไม่ทําเราจะไม่นอนอันนี้ต้องฝืนมันแบบนั้นวิธีฝืนนี่แหละมันก็เลยทุกมันทุกถ้าเราเปลี่ยนตามอริยบทของมันมันอยากนอนเราก็นอนมันอยากพลิกไปข้างนั่นข้างนี่เราก็พลิกตามมันคือตามใจตัวเองอคนที่ตามใจตัวเองนี่ไม่เห็นหลวงพ่อว่าคนที่ตามใจตัวเองนี่ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะเห็นธรรมคนที่ฝืนเท่านั้นที่จะได้เห็นธรรม ท่านต้องฝืนทุกองค์นั่นแหละมันหิวข้าวก็ไม่กินมันหิวน้ําก็ไม่ต้องกินมันอยากเปลี่ยนอริยบทก็ไม่เปลี่ยนอันนี้คือฝืนอย่าเชื่อใจตัวเองเนีเราเนี่ยก็นึกว่าใจเนี่เป็นตัวเราเรานึกว่าใจเนี่ยกับกายของเรานี่เป็นอันเดียวกันมันคิดว่าใจกับกายนี่เป็นอันเดียวกันแต่ที่ไหนได้มันไม่ใช่เราต้องดูต้องพยายามแยกจิตออกจากกายให้มันได้ถ้ามันแยกได้แล้วมันสบายนะ สียงเฉพาะสียงผู้ลู้เฉพาะผู้ลู้มันขึ้นมาแบบนี้ถ้ามันแยกได้นะมันจิตของเราเนี่ยมันออกจากกายเวทนามันหายไปมันไม่มีมันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกายแล้วมันเป็นตัวลู่ถ้ามันแยกได้นะอันนี่แหละ่ะแต่แต่เราต้องสู้กับทุกข์ก่อนเราสู้กับทุกขเวทนาพยายามที่ว่าปฏิเสธตัวเองทำนองนี้นี่แหละให้พวกเราฝื้นเอาอันนี้เราเวลาเราเหลืออีกกี่ปีกี่เดือน เราก็ไม่รู้ไม่มีใครล่วงรู้ที่ว่าวีซีวิตของเราเหลืออีกกี่วันกี่เดือนเราก็ไม่รู้อันนี้แหละหลวงพ่อจึงว่าวันพรุ่งนี้สําหรับเราไม่มีนั่นของหลวงพ่อมันแบบนั้นมันเกิดขึ้นมาอัตโนมัติของมันนะมันบอกว่าวันพรุ่งนี้ของเราไม่มีเราจะตายขณะนี้นั่นของหลวงพ่อมันอยู่แก่แค่ขณะใจของเราที่ว่ามันดูอารมณ์มันดูลมหายใจลมหายใจก็ขาดให้ดู แล้วก็มันก็มีตัวลูกก็ดูตัวลูกไปเนนี่นแหละแต่ก่อนอื่นต้องสู้กับเวทนาอันนี้แหละให้ให้พยายามฝืนเอาแบบนี้ถ้าเราได้รู้ได้เห็นได้เห็นพบชาติที่เลี้ยวเล่ร่อนเวียนว่ายตายเกิดในอดีตชาติก้อนใจของเรามันจึงจะเกิดความเบื่อหน่ายอันนี้แต่ว่าจ ะ, ะไปดูศพให้มันเกิดความเบือ่อหน่ายจะไปคิดเอาให้มันเบื่อหน่าย ไอ้ความคิดนึกเนี่ยแบบความคิดนึกเอาเนี่ยมันไม่ที่ว่ามันไม่มีความแยบคายพอมันไม่เบื่อนายหรอกอ่าเราจะไปที่ว่าดูศพอ่าศพคนที่ว่าศพเขาเละๆหรือ แ, แบบที่ว่ามันเป็นสิบ20ี่ิวันไม่มีใครไปเจอไม่ได้ฉีดยาแบบนี้นอนจินอยู่นั่นอ่ะอันนั้นก็ศพเขาน่ะไม่ใช่ศพเราให้ดูเป็นศพเราน้อมเข้ามาเป็นศพเรา ให้สู้กับทุกขเวทนาที่ตัวเราแล้วก็ดูกายของเราให้เป็นปัจจุบันอันนี้จึงจะมาแก้ใจของเราท่านจึงบอกว่าไฟไหม้เมืองไหนให้เอาน้ําในเมืองนั้นไปดับ อ, อันนี้ไฟราคะตันหามันเกิดขึ้นจากใจของเรามันลุกลามอยู่ที่นี่อยู่ที่หัวใจของเราเราต้องหาวิธีทำก็เกิดจากใจของเราเหมือนกันมันอยู่ที่เดียวกันนี่แหละ ไปดับสิ่งเหล่านี้ความโลภความโกรธความหลงมันเกิดขึ้นจากที่นี่ความหลงยึดถือว่าฮวงแหวนว่าของเราตัวเราแขนเราขาเรามันก็อยู่ที่นี่แต่ถ้ามันเกิดเป็นความรู้ขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ด้วยกันมันเหมือนกับฝ่ามือนี่ถ้าอุปมาเหมือนกับฝ่ามือด้านหน้ามือนี่ใจเราตัวเราของเราเป็นหน้ามือ แต่พอมันเกิดความรู้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นด้านหลังมือมันก็อันเดียวกันนั่นแหละมันก็อยู่ที่เดียวกันแต่เราไม่ได้ดูหลังมือสักทีอันนี้แหละเรามีแต่ท่าเอาท่าเดียวเอารวยท่าเดียวเราต้องเอารวยแบบนั้นเอารวยแบบนี้เราต้องเกิดขึ้นมาแล้วต้องสมหวังต้องลงทุนสร้างตัวนั้นขึ้นมาเราจะไปหาวิธีหาเงินทํานองนี้แต่มันเกิดอยู่แบบนี้คนน่ะมันปิ้นป้อนตามกิเลสตามความอยากของตัวเองอยู่แบบนี้ แต่รำของพระเจ้านี่ท่านบอกว่าให้ทวนกระแสให้ทวนกระแสก็คือมาดูความแก่ความเก็บความตายเนี่ยให้มาดูตัวนี้เราก็ไม่ได้สนใจมาดูอุปชาบอกเวลาท่านบวชแต่ละคนเนี่ยกุลบุตรลูกหลานเข้าไปบวชท่านก็สอนกรรมฐานให้เจสาโลมานะคะดันตาตาโจผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยให้ดูสิ่งเหล่านี้ ให้เป็นของปฏิคูณน่าเกลียดแต่ที่ว่าบวชนเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ดูนะก็ท่องสายายสูตรสวดมนต์สวดอะไรทําวัดไปเรื่อยๆเวลาเรานั่งภาวนาเราก็ไม่ได้สนใจจะมาค้นตัวนี้แต่ถ้าเรามาคน้นค้นจริงๆเนี่ยค้นอาการ32ดูดูผมเนี่ยก็ดูให้ละเอียดผมมันเกิดขึ้นจากที่ไหนเกิดจากหนังหัวหนังศีรษะของพวกเราเนี่ยมันกินน้ำ น้ำเงือน้ำเหลืองน้ำเลือดอยู่ในตัวของเรามันจึงยาวขึ้นไปเรื่อยๆของมันมาเนี่ยหนังหัวมันอาศัย เ, เลือดไหลเวียนเลือดลมไหลเวียนเวียนขึ้นมามาหล่อเลี้ยงมันจึงอยู่ได้เนี่ยก็ดูเข้าไปมันมีขี้หัวมันสะอาดไหมมันไม่สะอาดผมก็ไม่สะอาดหนังศีรษะหนังหัวของเราก็ไม่สะอาดอ่าดูดูใบหูของเรา ดูเข้าไปที่ที่ว่าในโพรงหูของเราในโพงหูของเรามันมีอะไรมีขี้หูแล้วก็จะมีะะกล้องที่ว่าจะมีหลอดเสียงที่ว่ามันได้ยินมันมีกล้องที่ว่ามันคงมีหลอดบันทึกมันได้ยินเสียงได้นะโกนหูของเราแต่มันมีขี้หูมีสซีงสุกโปกอยู่ในที่นั่นก็ดูเข้าไปดูให้มันละเอียดฝึกดูแบบนี้ ดูลงมาดูลุขุมตา่ปตาของเรานี่ว่าตาสวยคนเราก็ติดอยู่แบบนี้แหละเนี่ยขี้ตามันก็ไหลออกมาจากที่นี่น้ำตาก็ไหลออกมาจากที่นี่ที่มันหลงกันมันก็ดูตากันนั่นแหละมันยิ้มมันสารพัดหละมันตีคิ้วตีอะไรมันยักคิ้วใส่กันมันก็อยู่ที่นี่แหละมันก็่าตาคนนั้นสวยตาคนนี่สวยเนี่ยให้เราคิดดูที่ว่า สิ่งสุกโปกมันอยู่ในสิ่งเหล่านี้ถ้าดูเข้าไปลึกๆถ้าตาของเราถ้ามันตายแล้วนะตาของเราเนี่ยมันก็จะเน่าอ่าจะเป็นเยื่อจะเป็นวุ้นในที่สุดนอนกินหมดลงไปเป็นของเน่าเปื่อยเป็นที่ว่า่าดินเหมือนกันอ่ดูลงมาอีกดูลูจมกูกดูเข้าไปแบบนี้อันนี้ท่านจะว่าพิจารณาแบบนี้อุปชาบอกแบบนี้แต่พวกเราไม่ได้ดู พวกเราก็ฟังเพลินเพนไปเลยนะเจ้าสารมานะคะดันตาเข้าไปบวชแต่และคนเพูดได้หมดแต่มันไม่ดูถ้าคนมาค้นตัวนี้เนี่ได้แกงใจของเราเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันยึดติดมันหลงว่าตัวเราตัวเราตัวกูยังมีอัตราตัวตนนี่มันหลงแบบนี้แต่ถ้าเรามาค้นแบบนี้ค้นลงมาที่ว่าตับไตไส้ปอดดูไปเรื่อยๆให้ละเอียดทุกสิ่ง ดูปอดตัวเองดูตับตัวเองหัวพุิของเราอ่ามีอะไรอยู่ในพุงของเราอยู่ในหัวลำไส้ของเราดูให้ถี่ละเอียดเข้าไปแบบนี้ดูแบบนี้ที่ว่าเราอ่าที่ว่าอายังโคเมกายโยกายของเรานี่แหละที่เราสวดเนี่ยเราสวดไปแต่เราสวดไปเพราะๆ เ, เราสวดไปเฉยๆเนี่ยเราก็นึกว่าเราได้บุญแล้วแต่มันยังไม่ถึงใจนะให้เราเพ่งดู ให้ดูคอยค่อยพิจารณาดูไปทีละอย่างทีละอย่างทํานองนี้ดูลงไปที่ว่าดูตับไตไส้ปอดของเราถ้ามันเปื่อยถ้ามันใจขาดแล้วหนังหุบอยู่เนี่ยคนเนี่ยหลงหนังกันนี่แหละหนังหุ้มอยู่นี่ถ้าลมหายใจขาดแล้วเนี่ยหนังจะเปลี่ยนสีนุมมันพุพองเปื่อยเน่าในที่สุดอันนี้ดูแบบนี้อันนี้แหละท่านจึงว่าพิจารณากาย พิจารณากายในกายอันนี้เทวะเป็นกรรมฐานสําหรับทุกคนอย่าคิดว่าเป็นของหลวงพ่ออญ า, าติโยมก็มีเหมือนกันอันนี้แหละให้เพ่งดูแบบนี้การภาวนาของเราที่ว่ า, าเกิดมาชาติแล้วชาต์เล่าที่ว่าได้บวชได้เป็นภิกษุภิกษุณีกับพระพุทธเจ้ามาแล้วเราก็ได้ว่าเรายังไม่เข้าใจคําความหมายตัวนี้ให้เรามาพิจารณาแบบนี้ ถ้าถ้าใครมาที่ว่าพิจารณาดูให้มันถี่ท้วนแบบนี้ดูลงไปค่อยดูค่อยดูไปหรอเชียเอาเวลาเอาการเวลาแล้วว่า อ, อย่าคิดว่ามันจะเกิดจะเป็นเดี๋ยวแกมาแล้วเนี่ยจะหมดอาสวะกิเลสไปเองมันไม่หมดมันหมดชีวิตเฉยเออเหนื่อยหอบเข้าไปในที่สุดลมหายใจขาดแต่ใจมันยังยึดติดมันบอกว่าสวนกู นากูไล่กูบ้านกูรถกูไปเกิดเป็นจิ้งจกเฝ้าบ้านอไปเกิดเป็นนกหนูปูปีกเฝ้าแถวหยุดตามนั่นแหละไปเกิดเป็นงูเฝ้าขุมทรัพย์เป็นหนูเฝ้าบ้านเฝ้าเรือนเป็นตุ๊กแกขี้จิ้งเลนจิ้งที่ว่าจิ้งจกนะ่ะเฝ้าบ้านอันนี้แหละจิตวิ ญ, ญญาณของคนที่เรามาเวียนว่ายตาเกิดก็จะอยู่ทํานองนี้เกิดเป็นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกลัวจะที่ว่ามีบุญกุศลได้มาเกิดเป็นคนนี่ ยากลําบากกลัวที่จะมาเป็นมนุษย์แต่ละทีละทีหลวงพ่อจึงบอกว่าเราได้ทรัพย์สมบัติอันเลิศแล้วเรามีกรรมฐานเต็มที่แล้วแล้วเราก็ไม่ได้อยู่เฉยเฉยแบบสัตว์เหล่าอื่นสัตว์เหล่าอื่นเขากินแล้วก็นอนอยู่แค่นั้นมีกินกามแค่นั้นส่วนมนุษย์ของเราเนี่รู้จักจะมาภาวนาจะมาบวารีหารร่างกายของตัวเองมีความคิดความนึกแล้วก็มาฝึกหัด ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้อันนี้ให้พวกเรารีบเร่งเอาตัวเองอย่าไปหันใจทิ้งบางคนก็จะว่าฟังทุกวันนี่แหละค่ะน้อยฟังเทศนอนฟังทุกวันนอนฟังเนี่มันไม่ทุกหลวงพ่อว่าถ้าเรานอนฟังมันไม่เกิดความทุกข์ให้เรานั่งฟังแล้วก็นั่งท้าเดียวเอาที่ว่าหลวงพ่อเอาแบบนั้นแต่ก่อนหลวงพ่อไม่มี เ, เทพไม่มีวิทยุฟังแบบนี้ แต่หลวงพ่อนี่นั่งมันบอกว่าแต่ศรัทธาก่อนจะเกิดศรัทธาเนี่ยมันก็ต้องอาศัยครูบาอาจารย์ก่อนนั่นแหละหลวงปู่พุนจันทร์ทำให้นางเน่าก่อนไปฟังหลวงตามหาบวัวเทศให้แป๊บเดียวขน้อยพอแล้วนมันเกิดความเชื่อมั่นว่าท่านอาจารย์มหาบวัวเป็นพระอริยสงฆ์ที่มีความรู้รู้อดีตชาติของเราด้วยท่านเอาอดีตชาติของเรามาเทศให้เรานั่น มันเป็นแกงหม้อกิว๋วเทศให้หลวงพ่อเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาไปหนังเน่าอยู่กับหลวงปู่ขาวอีกหนังเน่าเปื่อยเน่าเลยเห็นกระดูกของตัวเองเห็นซากกระดูกของตัวเองแบบนี้หลวงพ่อมันจะว่าศรัทธามันเกิดถ้ามันเกิดแล้วเนี่ยมันไม่มีที่ว่าจะถอยหลังมันสละตายเพื่อทำมันยอมตายมันบอกตัวเองว่าถ้าไม่รู้ไม่เห็นสัธจธรรมเราต้องตายไปเลยจะ ก, กี่วันก็ช่าง เราจะอดตายเราจะอดข้าวอดน้าถึงวันตายมันจะกีมันจะถึงเดือนไหมเนี่ยมันบอกตัวเองแบบนั้นจะกีวันก็ช่างมันยอมตายอันนี้แหละที่มันเจ็บมันปวดมันสู้ได้ก็เพราะศรัทธามันแรงเนี่ยศรัทธาตัวนี้มันเกิดยากพอสมควรนะศรัทธาที่ว่ามันจะเกิดจะรู้จะเห็นที่ว่าเห็นกายของตัวเองเปื่อยเน่าเนี่ยเห็นตัวเองเป็นกระดูกเนี่ยมันจะเห็นยากพอสมควร มีความเชื่อมั่นว่าครูบาอาจารย์ของตัวเองเนี่ยเป็นพระอริยสงฆ์แล้วเราก็มีคนเราก็เป็นคนคนหนึ่งกินข้าวผ่านหัวใจเหมือนกันใจของเราก็คิดนึกได้เหมือนกันทําไมเราจึงคิดาตามความอยากของตัวเองไปตลอดเราทําไมขณะนี้ยังมีมรรคผลนิพพานอยู่เราทําไมจึงจะเสื่อซ่าอยู่นี่มันไม่รีบเร่งเอาให้ดูตัวเองแบบนี้ให้ว่าตัวเองนะให้ว่าตัวเอง ให้ที่ว่าขนาบตัวเองและปฏิวัติตัวเองให้ใจของเราได้รู้ได้เห็นสัจธรรมตัวนี้เกิดขึ้นที่ใจของเรามันเป็นของไม่เหลือวิสัยหลวงพ่อบอกแบบนี้แต่มันอยู่เลยตายนิดนึง น, นั่งภาวนาไปถ้ายังไม่เห็นความตายของตัวเองนี่ไม่กิ่งนะมันต้องเห็นมันต้องเห็นชีวิตของเราเนี่ยความแผดเผาความเจ็บปวดทรมานที่มันเกิดมันเป็นขึ้นมาเนี่ย มันเลยตายนั่นแหละมันเจ็บมันปวดสารพัดที่มันที่ว่าต้องฝ่าฟืนต้องที่ว่ามันเจ็บมันปวดก็มันเกิดอยู่ที่นี่เราไม่ได้นั่งอยู่ในกองไฟเราไปได้นั่งตากแดดตากฝนเรานั่งอยู่ในโลกเนี่ยบอกตัวเองแบบนี้มันจะเป็นอะไรก็ช่างมันศรัท ธ, ธาอันนี้ศรัท ธ, ธามันเต็มเปี่ยมศรัท ธ, ธาเต็มร้อยเนีศรัท ธ, ธาส่วนมากก็แค่ไปวัดได้ แค่ใจบาดได้ทาบุญได้อันนี้ศรัทธามันคนละเรื่องกันนะศรัทธาของหลวงพ่อมันสละตายเพื่อทำเนี่ยมันเป็นคนละรุ่นกันศรัทธาตัวนี้ถ้ามันเกิดแล้วเนี่ยมันไม่ยอมนั่งที่นี่เป็นข้างสุดท้ายคำว่าลุกของเราไม่มีมันเด็ดแบบนี้อันนี้แหละหลวงพ่อจึงว่ามันจะร้อนอะไรมันจะหลอกลวงอะไรก็ช่างเราจะดูเราจะมีสติดูที่ว่า เวลาไหนวิญญาณมันจะออกจากล่างคนตายวิญญาณมันต้องออกจากล่างเราดรอดูวิญญาณของตัวเองหลวงเพราะไม่เยอไม่กลัวผีแล้วในขณะนั้นอ่ะมันสละตายมันไม่กลัวผีอ่าส่วนญาติโยมบางคนเนี่ยจะไปปัสสาวะจะไปะที่ว่าไกลๆเพื่อนก็กลัวตายก็กลัวกลัวน้นกลัวนี่อยู่นั่นแหล ะ, ะเหมือนกับเขาบอกว่าบางคนอยากไปตายเยอะ อยากจะไปผูกคอตายแต่ติดไฟไปนะจุดกระบองไปมึงจะไปไหนนั่นน่ะจะไปผูกคอตายเอาทาไมถึงอาทาไมถึงจุดไฟไปล่ะกลัวเหยียบงูใช่ไหมครับว่ากลัวเหยียบงูเอามันยังกลัวตายอยู่ทั้งหมดนั่นแหละมันกลัวตายทั้งหมดกลัวผีกลัวสร้างมาอะไรต่างๆที่ว่าจะกลัวเสือกลัวผีกลัวอะไรทั้งหมดนั่นกลัวตายมันรวมลงมาที่กลัวตาย ถ้าเราสละตายแล้วน่ใจของเราเนี่มันจะน้อมไปน้อมไปเลยวันนี้เพราะไม่มีความที่ว่ายึดเราไม่ไม่มีความห่วงแต่ก่อนเนี่เราห่วงว่าเราจะรวยอ่าเราต้องรวยแบบนั้นเราต้องรวยแบบนี้มันยังมีความหวังอยู่ถ้าเราน้อมไปแบบบอกตัวเองว่าเราไม่มีวันพรุ่งนี้เราไม่มีโอกาสจะไปค้าขายงายมืออีกแล้วเราไม่มีโอกาสที่จะไปอยู่กับพ่อกับแม่ ไม่มีชีวิตครอบครัวอีกแล้วขณะนี้เราจะตายเนี่ให้ดูแบบนี้ให้ทําใจของตัวเองมาแบบนี้เนี่ยก่อนที่มันจะเกิดเนี่ยหลวงพ่อจังว่าคนเราเนี่ยมันยังมันยังหวงตัวเองเราหวงเราหึงหวงหวังอะไรมันมีความอะไรความยึดติดเราจึงว่ามันไม่ปล่อยวางเพราะตัวนี้เราก็บอกเรายังมีความหวังว่าวันพรุ่งนี้เราจะได้กินข้าวอีก ลูกหลานจเจ้าข้าวมาให้เรากินเราจะไปนึ่งข้าวไปหุงข้าวกินอีกอันนี้เราคิดต่อแบบนี้เราก็ภาวนาไปไม่ได้เราไม่ต้องห่วงไม่ต้องกินสละไปเลยทั้งน้ําทั้งข้าวที่นี่คือที่ตายของเราถ้าถ้าใครคิดสละแบบนี้ละ่ะหลวงพ่อจึงว่ามันเป็นปัจจุบันเลยบันใจของเรามันจะเป็นปัจจุบันขึ้นมาเลยถ้าถ้าเราสอนตัวเองแบบนี้อันนี้ละ่ะความตั้งอกตั้งใจแต่ละคน ศรัทธาของพวกเรานี่ก็เต็มเปี่ยมโยกแต่เราทําไม่ถูกวิธีมันก็เนินชาการที่ว่าเสียเวลาเราเดินที่ว่าทางอ้อมเราที่ว่ามันเดินไปแบบที่ว่าไม่ถูกทางเหมือนกับตาบอดลอยน้ำจะข้ามฝั่งตาบอดเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันบิดผิวไปด้า น, านไหนแหละมันไม่เห็นฝั่งมันก็ลอยอยู่นั่นแหละเหนื่อยแล้วก็จะจมน้ำตาย อันนี้ก็ให้พยายามที่ว่าเอาหลวงตามาอาบวกเป็นทางเดินคําสอนขององหลวงตายังมีให้พวกเราที่ว่ามีวิทยุ เ, เครื่องหนึง่งแล้วก็ฟังตอนดึกๆเวลาเรานอนตื่นขึ้นก่อนหรือว่าถ้าวันไหนก็จะศรัทธามันมากเนี่ยก็เอาเลยเลูกหลานเข้าห้องนอนแล้วก็นั่งภาวนาเลยเอาเลยนี่หละวิธีสู้สู้แบบนี้อย่าไปคิดว่ามันหมดเขตหมดสมัยแล้ว มันพอมีอยู่นะมันเกิดได้อยู่นะใจของเราที่ว่ามันสะสมเอากิเลสตัณหามันอยู่ที่เดียวกันอันนี้แหละถ้าไม่มีกิเลสตัณหาเราก็จะไม่มีธรรมเกิดขึ้นนอันนี้มันเกิดอยู่ที่เดียวกันนี่แหละความที่ว่าความมืดกับความสว่างมันอยู่ที่เดียวกันเอบพอเปิดสวิทไฟขึ้นนี่มันสว่างขึ้นเลยนั่นมันก็เกิดอยู่ที่นี่ใจของเรามันมืดบอดใจของเรามันบอด แต่ว่ามันที่ว่ามีความรู้สามารถทำอันนั้นได้ทำอันนี้ได้วิเศษแบบนั้นวิเศษแบบนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญในทางนั้นทางนี้สารพัดที่เราเกิดขึ้นมาที่ว่ า, าตัวหนังสือเขาเขียนให้ก็มีนะ เ, าเขายกยอป่อปั้นขึ้นม า, าด้วยตัวหนังสือรือว่าผลงานที่เราทำบางคนเนี่ยเขาได้ปริญญาโดยที่ว่าไปนั่งทำอาหารการกินเขาไปเรียนรัดไปเรียน ไปเรียนทางรัฐก็มีสมัยใหม่ทุกวันเนี่ยเขาไปเรียนทางรัฐไปตําส้มให้เพื่อนกินไปเรียนหนังสื อ, อพวกผู้ใหญ่บ้านเรียนเข้ามาแล้วก็อยากจะไดะ้ปริญญาให้ตัวเองก็ไปเรียนเรียนนิดนหน่อยเขาก็เขียนให้กันได้เหมือนกันอันนี้แหละแต่มันไม่จบจริงหรอกแต่มันก็เป็นแค่นี้อันนี้ให้พวกเราสอนตัวเองอวิชาของโลกหรือว่ามายา ของโลกของเรามันเล่ล่อนปิ้นป้อนหลอกลวงของเราให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกนี้ก็เพราะมันหลอกลวงโดยแยบขายแยบยนมันละเอียดมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับใจเราหลวงพ่อจึงบอกว่าอย่าไปเชื่อใจเนี่ยให้พยายามนะอย่าเชื่อใจอา้าวเรามีใจไม่ให้เชื่อใจจะไปเชื่ออะไรอัถภาวนาเนี่ถ้าเชื่อใจของเรามันไปไม่ได้อย่าไปเชื่อใจเรา ใจเรามันอยากพักพรอเราก็ต้องฝืนเอาทำนองนี้มันอยากมันอยากพักเราไม่เราไม่ยอมมันอยากไปทานข้าวเราไม่ยอมมันอยากจะเปลี่ยนอริยบทเราไม่ยอมอันนี้เป็นการฝืนแบบนี้หลวงพ่อไม่เชื่อมันไม่ยอมมันอันนี้หละถ้าเราฝืนเป็นผู้ฝืนใจของตัวเองนั่นหละวันหนึ่งเราต้องได้รู้ได้เห็นสัจธรรมตัวนี้เกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็เห็นอดีตชาต ที่เรามาเวียนว่ายตายเกิดเป็นวัตทุวัตวนมนเห็นแบบนั้นในเพลพื้นแวดิเนเต็มไปด้วยล่างกระดูกของเราที่เรามาเกิดมาตายอยู่ในโลกนี้ในสมัยก่อนไม่รู้ว่าเขาเรียกประเทศอะไรเขาเรียกมณฑนอะไรเขาไม่รู้ว่าเข า, มม เ, ขาเรียกอาถรวาสมมาสิกอะไรก็ไม่รู้ว่าเขาสมมติกันเขาเลือกอะไรภาษาไม่รู้ว่าพูดกันภาษาไหนในสมัยก่อน แต่หลวงพ่อเคยเกิดมาแล้วนี่หลายล้านเที่ยวหลายล้านชาติเนี่ยมันเห็นอ่ามืนปีก็เคยเกิดมาเนี่ยมันเห็นแบบนั้น อ, อายุของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าอายุของมนุษย์เนี่ยถึงแสนปอีอายุน้อยลงไปถึง10ปี1 0อยปีเพิ่มหนึ่งปีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆร้อยปีเพิ่มหนึ่งปีไปเรื่อยๆ จนถึงแสนปีแสนปีนี่ยุคอายุแสนปีไม่มีพระพุทธเจ้าตัดสรุปอายุลดลงมานี่ร้อยปีลดหนึ่งปีลดลดลงมาหนึ่งปีเรื่อยๆจนมาถึงแปดหมื่นปีนี่แหละพระศรีอริยเมตตาจึงจะมาตัดสรุรรมอันนี้แหละอันนี้แหละสมัยนั้นที่ท่านบอกว่ามีแม่น้ำสองสายไหลขึ้นไหลลงคนต้องการจะไปเหนือก็ ลงแพลงเรือด้านนี้มันจะไหลไปเองมันไม่มีเครื่องยนต์มันไหลไปเองไหลขึ้นเหนือล่องใต้มันไหลไปอยู่แถวนี้ต้องการอยากลงไปด้านนี้ก็ขี่ไปด้านนี้อยู่ทํานองนี้สมัยนั้นอายุคนแปดหมืนปีไม่ได้ทํานาทําไร่ทําสวนไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรต่างๆเที่ยวสนุกสบายไม่ต้อว่ากินอาหารทิพกินของทิพมนุษย์สมัยนั้น อันนี้โลกของเราไม่ใช่ว่ามันจะหากินหาอยู่แบบที่ว่าเล่ร่อนที่ว่าแบบทุกวันนี่นะทุกวันนี่มันสารพัดวิจัยตัวนั้นวิจัยตัวนี้ขึ้นมาไอ้ตัวนั้นเป็นยาตัวนี้เป็นยาแม้แต่คัญชาก็เป็นยาอ่ามันนักวิจัยวิจารขึ้นมาเรื่อยๆต่อมานี่หลวงพ่อจะได้ทําบั้งคัญชาขายแล้วนะที่วัดหลวงพ่อกอไผ่เยอะเนี่ยจะได้ทําบั้งคัญชาวางตลาดขายหน้าวัดนะ อ่าอันนี้มันเกิดขึ้นมาตํานองนี่มันวิจัยวิจารณ์ขึ้นมาอ่าแต่สมัยก่อนเขาก็ว่าฟินอ่าฟินเนี่ยจอมพลสมัยจอมพลปอ่อาสมัยก่อนก็ฟินสมัยนี้ก็คันชาขึ้นมาอีกนีมันก็ที่ว่าโลกมนุษย์เนี่ยเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมอายุน้อยแล้วก็มากมากแล้วก็น้อยกลับไปกลับมาอยู่ทํานองนี้แต่กิจของเราคนเดียวเนี่ยมาเล่ล่อนเวียนไหวตาเกิด ช่วงอายุ8ปด0 0ื่นปีเกี0 0หมื่นปีพวกเราก็มาเกิดเหมือนกันไอ้สิบปีตายพวกเราก็จะเกิดเหมือนกันการเล่ร่อนเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์ให้ดูตัวเองแบบนี้ให้สอนตัวเองแบบนี้ให้ยาที่ให้มันถึงตอนนั้นในขณะนี้ยังมีคําสอนของอกหลวงตาที่ท่านเทศสดสดละลอนให้พวกเราได้ยินได้ฟังให้พวกเรารีบเร่งเอาไอ้ทรัพย์สินเงินทองไล่นาที่ว่าลดลาอะไรที่เรามีเนี่ย มันเอาไปไม่ได้สมบัติของโลกมันอยู่กับโลกเราจะมีบริษัท์บริวารมากขนาดไหนก็ช่างมันเป็ น, นบริวารของโลกที่เรามาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกนี้เราก็มาอาศัยอยู่สิ่งเหล่านี้บุญกุศลของเก่ามันส่งเสริมให้เราที่ว่ามีอยู่มีกินหรือว่าในขณะนี้เราเป็นผู้โชคดีที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์มีความรู้สัตว์เราอื่นเขากินหญ้าเขาไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต เขาแต่เขาเนี่ยทำความเพียรไม่ได้มาฝึกภาวนาแบบเราไม่ได้ลัวควุยแบบนี้เขาทำคุณวิเศษเกิดขึ้นไม่ได้ของเราเนี่ยทำคุณวิเศษเกิดขึ้นได้อันนี้หละโลกมนุษย์นี่แหละอยู่ในญ่านนี้ถ้าเราเทียบว่าเราโอ้บางคนก็แต่วิวิตกตัวเองว่าเราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเยอะเราฆ่าคนก็มีบางคนนะอ่า เราเคยแพ่งลูกแบบเนี้ยแพ่งลูกก็ฆ่าคนเหมือนกันนะเราแพ่งลูกแบบเนี้ยเราก็ฆ่าคนเหมือนกันให้เราคิดว่าเออพระองคุริมาพระองคุริมานเนี่ยฆ่าเป็นพันมาเลยนั่นแต่ท่านบอกว่า99นะ้เอยาเนะี่ยอันนั้นไม่จริงนะครั้งแรกนะพระองคุริมายังห่อไว้ก่อนนะฆ่าได้เนี้วมือแล้วเอาห่อไว้เก็บไว้ แต่วันหลังไปหาเนี่ยมันหายแล้วพวกอีกเห็นพวกเราเนี่เอาไปกินก่อนเขาถูกกินพวกหมาป่าเอาไปกินพวกเห็นเอาไปกินท่านจึงเริ่มใหม่เอาเขี้ไม้มาร้อยมาอันนั้นมาเป็นพวงมาลัยใส่คอเนี่ยอันนี้แต่ว่าท่านฆ่าคนมาเยอะแยะแต่ในที่สุดก็เป็นพระรหันได้เหมือนกันอันนี้ที่พวกเราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือว่าฆ่ามนุษย์มาให้พวกเราคิดแบบนั้น อาจจะข่ามาอะมากน้อยแค่ไหนก็ช่างให้มารวมเอาเราวันนี้เรามีโอกาสเราลู้เราได้ยินคำสั่งสอนของพระเจ้าเราจะปฏิบัติปฏิบัติตามอันนี้ให้กำลังใจตัวเองแบบนี้อันนี้หละหวังว่าญาติพี่น้องทุกคนเนี่ยเราเกิดเราตายมาในโลกนี้คนแต่ละคนนี่ก็จะเหมือนเหมือนกับหลวงพ่อเพราะหลวงพ่อเห็นอดีตชาติของตัวเองเนี่ยจนน้าตานี่ไหล สงสารตัวเองที่มาลอยเวียนไหวตายเกิดหลายล้านเที่ยวที่เรามาเวียนไหวตายเกิดในโลกนะแต่มันเราได้น้ําตาไหลอีกที่ว่าเห็นพระพุทธเจ้าได้กราบองค์พระศาษษษสดาสา ม, มาพุทธเจ้าได้กราบทั้งกราบทั้งร้องไห้อีกนะมันเกิดแบบนี้เห็นคุณของแม่ก็ร้องไหเ้เห็นซารความเกิดเป็นทุกข์ก็ร้องไห้เห็นพระพุทธเจ้ามายืนให้กราบอีกก็ร้องไห้ เนี่ยมันเห็นแบบนี้อันนี้ล่ะมันจะว่าน้ําตาที่มันร้องให้เพราะมันเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นน้ําตาที่ดีที่เรามาหลอกลวงปิ้นป้อนที่ว่าผัวไปจากเมียไปจากผัวไปนอกเมียก็เขียนจดหมายหรือว่าโทรไปเลิกยากันร้องให้ทํานองนี้อันนี้มันอยู่แบบนี้ล่ะโลกวุ่นวายอยู่แบบนี้อมันเป็นทุกข์อยู่แบบนี้ปิ้นป้อนจนอยู่แบบนี้ หลอกลวงกันอยู่แบบนี้ให้พวกเราว่าที่เกิดมาชาติเดียวนี่ก็ทุกแบบนี้ที่เราเกิดในอดีตมาแล้วเนี่ยผ่านมาแล้วเนี่ยคนละหลายล้านเที่ยวมันก็ทุกแบบนี้ในชาติก่อนก็เกิดขึ้นมาก็หากินแบบนี้แต่บางสมัยก็แบบหลวงพ่อพูดให้ฟังนั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าช่วงอายุมากๆไม่ได้ทํานาทําไร่อาหารเกิดเป็นอาหารที่มาให้กิน เนี่ยเสื้อผ้าอาภร อ, อ่ะเป็นของทิพเกิดขึ้นมาไปเอาเลยไปสอยเอาเลยน่ยมีเกิดขึ้นมาทํานองนี้พระพุทธเจ้าบอกแบบนี้หลวงพ่อก็ไม่ได้เห็นแบบนั้นอ่ะแต่พระพุทธเจ้าบอกแล้วเนี่เป็นของจริงหลวงพ่อเชื่อมั่นว่าคําสอนองภาษาสดาสมมาสมพุทธเจ้าเป็นของจริงทุกสิ่งทุกอย่างเกิดเกิดดับดับตายตายเกิดตายเกิดอยู่แบบนี้อันนี้ให้พวกเรา รักษาสติของเราให้มันดีแล้วก็ที่ว่าทำความภาคความเพียรให้ตัวเองฝึกให้มันมีพุทโธต่อเนื่องก่อนอื่นต้องมีพุทโธต่อเนื่องให้มันมีพุทโธต่อเนื่องถ้ามันถึงเวลาแล้วนี่มันจะมันมันจะมีความพิเศษขึ้นมาที่ในใจของเราเน่แหละเหมือนกับความนิพพานเนี่ยอยู่แค่เอื้อมเหมือนจับผิดจับถูกอยู่นั่นใกล้แล้วใกล้แล้วเนี่ยถ้าแบบนั้นเนี่ย น, นั่งเลย นั่งสละตายเลยถ้ามันเกิดแบบนั้นแต่ก่อนอื่นต้องให้มันมีนมพุโทโธเนะี่ยมันค่อยเป็นค่อยไปของมันแต่แต่พวกเราหลวงพ่อบอกว่าอย่าให้มันค่อยเป็นค่อยไปรีบเลยอันนี้หลวงพ่อมันรีบตอนนั้นรีบตอนมันสปีดตอนที่ว่ามันเห็นความเปื่อยเน่าเห็นกระดูของตัวเองพิจนารณาหนังเน่าตัวเองได้แล้วอันนี้ญาติโยมก็ฝึกดูไปตามลาดับ ให้มันเกิดความรู้ความเห็นอันนี้แหล ะ, ะสมควรเจการเวลาขอให้ท่านทั้งหลายจงเลื่อ่รู้ทำเห็นทำทุกท่านทุกคนเธิน